เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เตรียมตัวให้พร้อมเราจะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตเพื่อท่องเข้าไปในกายของเรานี้ดูความเปลี่ยนแปลงว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า อสุภานุปัสสิงค์คือให้ตามพิจารณาอยู่กับอารมณ์อันไม่งามเป็นอย่างไรเรานั่งคูบาลังตั้งกายตรงพวกที่นั่งเก้าอี้ใช้มือตั้งบนขาตัวเองก็ได้ตั้งอย่างนี้มือขามือขวาตั้งขาขวามือซ้ายตั้งขาซ้ายหรือเอามาซ้อนกันก็ได้ส่วนที่นั่งสมาธิก็นั่งเหมือนตอนเช้า ยกจิตเข้าสู่ลมหายใจของเราบริหารลมหายใจจัดการลมหายใจของตนเองยาวบ้างสั้นบ้างจนจิตเกาะ อ, อยู่กับลมหายใจได้แล้วหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ จิตเกาะอยู่กับลมหายใจลมหายใจเหมือนกับเหมือนกับเสาต้นหนึ่งที่เอาเชือกมาผูกไว้ให้จิตมันอยู่สติเป็นเครื่องผูกให้จิตอยู่ที่ลมหายใจมีระยะร่นออกมาไม่ไม่เกินกาย คือผูกอยู่กับลมหายใจออกจากลมหายใจก็วิ่งไปไม่ออกนอกกายรู้อยู่กับลมหายใจไหลออกรู้อยู่กับลมหายใจไหลเข้าจากนั้นก็มาพิจารณารู้กายทั้งกายของเราเป็นอย่างไร เบื้องบนตั้งแต่พื้นขวาเท้าขึ้นมาจนหนังศีรษะความรู้สึกมองกายตั้งกายขึ้นมาตั้งแต่ขวาเท้าของเราขึ้นมาจนถึงหนังศีรษะเบื้องล่างตั้งแต่หนังศีรษะลงไปจนถึงขวาเท้ามองเบื้องบนจากขวาเท้าขึ้นมาหนังศีรษะจบได้ยกจิตกลับไปรู้ลมหายใจเมื่อจิตกาะลมหายใจได้แล้วก็ยกจิตกลับมารู้ กายทั้งกายเบื้องล่างตั้งแต่หนังศีรษะมองไล่รู้ต่ำไตลงไปจนถึงขวาเท้าแล้วก็ยกจิตกลับไปรู้ลมหายใจดูกายจากซ้ายไปขวาตั้งแต่ซีกซ้ายไปยังซีกขวา ดูกายตั้งแต่ซี่ขวาไปยังทางซ้ายก็ซี่ขวามองไปทางซ้ายจนในที่สุดเห็นกายของเราเนี่ยตั้งอยู่ในอิริยาบถ ท, ที่เป็นจริงคนที่นั่งเก้าอี้ก็รู้กายของตนเองตั้งอย่างไรคนที่นั่งอยู่บนอาสนะก็รู้ว่ากายตัวเองตั้งอย่างไรแลวยกจิตกลับไปรู้ลมหายใจ <c oughs> หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ในขณะที่ฟังเสียงที่อัตมากําลังบรรยายอยู่จิตเกาะลมหายใจไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยฟังแล้วลรับึกตามแล้วก็เกาะลมหายใจฟังแล้วละระลึกตามแล้วเกาะลมหายใจฟังแล้วพิจารณาตามแล้วก็เกาะลมหายใจ จิตจะไม่ออกไปไหนเกินกายในกายของเราเนี่ยเขาเรียกอาการสามสิบสองอาการส า, ามสิบสองมีธาตุน้ำกับธาตุดินเป็นหลักธาตุดินมีสิบเก้าธาตุน้ามียี่สิบเอดธาตุน้ำมีาน้ำ ม, มีสิบสองบวกกับมันสมองเข้าไปอีกหนึ่งก็เป็นสามสิบสอง ที่เป็นธาตุดินแบ่งเป็นหมวดหมวดผมขนเล็บควันหนังนี่หมวดที่ห้าเรียกตัดจากกรรมฐานตัดจากปัญจาการกรรมฐานเกษาโลมานักขาดันตาตาโจหรือผมขนเล็บควันหนัง <c oughs> ผมขนเล็บควันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่ธาตุดิน ้าน้ำก็มีดีสเลดหนองเลือดเหงื่อมันค้นน้ำตาเปลวมันน้ำไหลน้ำมูกน้ำไข่ข้อมูดฟังแล้วพิจารณาตามแล้วก็ไปรู้สึกลมหายใจที่ไหลออกลมหายใจที่ไหลเข้าเกาะไว้ที่ว่าผมนั้นคือผมของเราไม่ใช่ผมของเกินอื่นที่ว่าขนก็ขนของเราไม่ใช่ขนของเกินอื่นเล็บก็เล็บของเราไม่ใช่ของคนอื่นมันจึงเกาะอยู่ที่กาย หลุดออกจากลมหายใจไปไม่เกินกายของตนหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาตามความเป็นจริงของธาตุทั้งสี่ความจริงพิจารณาโดยอะไรเราเริ่มจากห้าประการก่อนผม ให้รู้สึกที่ผมของตนที่หอกอยู่บนศีรษะขนคือลักษณะเป็นเส้นๆหอกตามตัวเว้นความมือขวาเท้าเว้นผมเล็บหอกตามปลายมือปลายเท้าควันหอกที่ปากสำหรับบดเคี้ยวอาหารหนังที่หุ้มห่ออยู่ทั่วตัวของเรา พอเอ่ยว่าผมเราก็ระลึกไปที่ผมของเราขนเราก็ระลึกที่ขนของเราเล็บเราก็ระลึกที่เล็บของเราควันเราก็ระลึกที่ควันของเราหนังเราก็ระลึกที่หนังของเราหายใจออกรู้ลมหายใจยกกลับไปหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ จากนั้นมาดูผมดูอย่างไรดูความเป็นจริงห้าแบบคือดูด้วยสีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่สีอา้าวมาดูผมของเราที่งอกอยู่บนสีสะนี่สีเป็นอย่างไร บางเส้นก็ดำบางเส้นก็ขาวบางเส้นก็มีดำบ้างมีขาวบ้างเกลือกกลัวกันไปบางเส้นก็สั้นบางเส้นก็ยาวสันฐานลักษณะเป็นเส้นเส้นหอกอยู่บนศีรษะกลิ่น กลิ่นน้าสะอิดสะเอียนเหม็นจะปล่อยทิ้งไว้ไม่สะไม่สางไม่ชำระชะล้างจะสกับปรกน้าสะอิดสะเอียนมากที่เกิดรากของผมของเราแต่ละเส้นฮอกมาจากหนังศีสะรากของมันมีลักษณะคล้ายกับตัวเหาเล็กๆขวางอยู่ที่ใต้หนังศีสษะ ที่อยู่เขาอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําเหลืองจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงเส้นผมของเราแต่ละเส้นชุ่มแช่อยู่ในปุโปโลหิตอย่างนี้หมัก ม, มมอยู่ในสิ่งสกปรกปฏิกูลอย่างนี้จึงคายสิ่งสกปรกออกมาตลอดเวลาผมนี้จึงไม่งาม ถ้ามไม่飒ไม่สาง ไ, ไม่ชำระชะล้างมันจะส่งกลิ่นเหม็นบเหม็นสางออกมาอย่าว่าแต่ผมของตนเลยแม้แต่ผมของคนอื่นที่เรารักนักรักหนาถ้าหากว่าถอนเส้นผมของเขาเหล่านั้นมาใส่ในชามภาชนะที่จะต้องดื่มหรือบริโภคเอาเส้นผมเหล่านั้นใส่ลงไป เราพิจารณาในถ้วยในภาชนะที่เป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ถ้ามีเส้นผมของคนที่เรารักสองเส้นสามเส้นหลุดจมอยู่ในในในก๋วยเตี๋ยวของเราเราก็รู้สึกสะอิดสะเอียนแล้วนี่เส้นผมของคนอื่นเรายังสะอิดสะเอียนของคนรักเราเรายังสะอิดสะเอียนและถ้าเป็นเส้นผมของคนที่เราไม่รู้จักมันก็ยิ่งหน้าสะอิดสะเอียนใหญ่แม้แต่ของของตนเองเราก็ยังสะอิดสะเอียน อันนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นความไม่งามมันเป็นสิ่งสกรปรกโสโครกปฏิกูลอยู่โดยปกติอย่างนี้ไอ้ น, นี้ผมของเราเส้นผมนี้มีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดบนหนังศีรษะของเรานี้มันงอกขึ้นมาตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่นั่นแหละพอออกมาในระยะเวลาหนึ่งบางคนแม่ก็โกนออกทิ้งเสีย แต่รากยังอยู่แล้วมันก็งอกขึ้นมาใหม่ในระหว่างงอกขึ้นมาในช่วงชีวิตของเราแต่ละช่วงมีการหลุดมีการลุยมีการแตกปลายมีอาการเปล่งแปลงแปรปวนไปต่างๆนานาแล้วในที่สุดมันก็เปลี่ยนสี และเมื่อใดที่ร่างกายของเราตายคือธาตุทั้งสี่มันแตกสลายธาตุน้ำพร้อมที่จะแยกออกมาจากธาตุดินร่างกายพองอืดเหม็นเน่าเฟ้อฟะขึ้นมาผมนี้ก็จะถอดตัวเองหลุดลุยออกมาจากหนังศีรษะของเรากองอยู่บนพื้นดินแล้วในที่สุดก็จะย่อยสลายกลายเป็นดินเดิมไปสิ้นสุดของคาว่าผมหายไปนี่มันไม่เที่ยงมันไม่มีสาระแกนสาร มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เราจะต้องประคับประคองรักษาดูแลอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเป็นอนัตตาคือเราไม่มีอำนาจใดๆไปบังคับบัญชาให้มันว่าให้มันอย่าหลุดอย่าลุยให้มันอย่าเปลี่ยนสีให้มันคงอยู่ให้มันสวยไงมันงามให้มันคงที่คงทนอยู่อย่างนี้เราไม่มีอำนาจนั้นเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราจริงๆอันนี้คือผมของเรา จากนั้นยกจิตกลับมาที่ลมหายใจหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ยกจิตกลับไปพิจารณาถึงขนของเราขนคือลักษณะเป็นเส้นเส้นห่อขึ้นทั่วสัพพางกายยกเส้นผมออกเสียยกเว้นขวามือขว่าเท้าทั่วสับพางกายผิวหนังของเรา จะมีเส้นขนหอกออกมาเส้นขนนี้ก็เหมือนกันหอกออกมาจากผิวหนังเลี้ยงด้วยน้ำเหลืองน้ำเลือดหมกหมอมอยู่กับสิ่งโสกปลกโสโครกปฏิกูลถ้าเราไม่ได้ชำระสาสางชำระชะล้างก็จะสิ่งสิ่งโสกปล ก, ปลกออกมาตลอดเวลา และเส้นขนนี้ก็เหมือนกับเส้นผมเมื่องอกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเหตุตามปัจจัยเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้เส้นผมนี้อยู่ไอเส้นขนนี้อยู่ในอำนาจของเราได้เมื่อใดที่เราร่างกายของเราแตกสลายธาตุทั้งสีไม่สมานกันร่างกายเริ่มอืดด้วยการที่ธาตุน้ำมันเบียดแทรกธาตุดินออกมา เส้นขนเหล่านี้จะค่อยๆหลุดลุยออกจากร่างกายกองอยู่บนดินและก็จะแปลสภาพเป็นดินไปหาตัวตนที่แท้จริงไม่ได้หาความงดงามไม่ได้ยกจิตกลับไปที่ลมหายใจหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ จากนั้นโยกจิตกลับมาพิจารณาที่เล็บของเราหอกอยู่ตามปลายนิ้วมือนิ้วเทา้านิ้วมือข้างซ้ายตั้งแต่หัวไม่มือมีลักษณะแข็งแข็งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยที่มือข้างขวาที่นิ้วหัวไม่มือ ปลายนิ้วหัวไม่มือปลายนิ้วชี้ปลายนิ้วกลางปลายนิ้วนางและปลายนิ้วก้อยที่เท้าข้างซ้ายปลายนิ้วหัวแม่เท้าข้างซ้ายปลายนิ้วเท้านิ้วชี้เท้าข้างซ้ายปลายนิ้วกลางปลายนิ้วนางเท้าซ้ายปลายนิ้วก้อยเท้าซ้าย ลักษณะแข็งแข็งหอกอยู่เป็นเกล็ดเกล็ดที่เท้าฝ่าก็เหมือนกันปลายนิ้วหัวแม่เท้าฝ่าปลายนิ้วชี้เท้าฝ่าปลายนิ้วกลางเท้าฝ่าปลายนิ้วนางเท้าฝ่าปลายนิ้วก้อยเท้าฝ่าลักษณะเป็นเกล็ดเกล็ดหอกอยู่นั่นทั้งหมดยี่สิบนิ้วมียี่สิบอันพิจารณาแต่ละอันว่า มันเป็นอย่างไรสีก็เป็นอย่างนั้นออกเหลืองเหลืองแดงแดงขาวขาวเกิดมาจากไหนห อ, อกมาจากโคนของนิ้วมือแต่ละนิ้วโคนของนิ้วเท้าแต่ละนิ้วขวังออกไปจุงถึงกระดูกอ่อนห อ, อกออกมาเรื่อย มีน้ำเหลืองกับน้ำเลือดเป็นตัวหล่อเลี้ยงชุ่มแช่อยู่ในสิ่งสกรปรกปฏิกูลคายสิ่งสกรปรกออกเหล่านั้นออกมาที่เราเรียกกันว่ามูลเล็บมูลเล็บต้องชําระตราสางถ้าไม่ชําระตราสางทําความสะอาดก็จะสกรปรกน่าสะอิดสะเอียนเล็บนี้มันก็ห่อออกมาจากนิ้วของเราแล้วไม่สามารถที่จะคงทนคงที่ตามที่เราปรารถนาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา ถ้าเราถอดเขาออกมาสักเล็บหนึ่งเล็บนั้นที่ถอดออกแล้วก็จะมีเลือดไหลออกมาเพราะมันเป็นสิ่งสกปรกโสโครกนั่นเองวันใดที่เราตายลงธาตุทั้งหลายแยกออกจากกันเล็บนี้จะค่อยๆหลุดออกมาจากนิ้วแต่ละนิ้วแล้วก็กลายสภาพเป็นดินออกไปเล็บนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามตามปกติและเล็บนี้ถ้าเอาไปใส่ใน ชามอาหารที่เราจะต้องดื่มหรือรอบริโภคก็ไม่สามารถที่จะดื่มได้อย่างสนิทใจเพราะเกิดความรังเกียจทำไมจึงรังเกียจเพราะรังเกียจในความสกับปรกของเขานั่นเองเพราะความไม่สวยไม่งามของเขาเป็นธรรมชาติของเขามันเป็นอย่างนี้กลับมารู้ลมหายใจหายใจออกรู้หายใจข้าวรู้หายใจออกรู้หายใจข้าวรู้ จากนั้นมาพิจารณาดูฟันของเราที่ชื่อว่าทันตาควันทั้งหลายฟันนั้นมันงอกอยู่ที่กระดูกคางเบื้องล่างเบื้องบนสำหรับบดเคี้ยวอาหารแต่ละซี่แต่ละซี่มีรากของควันเป็นกระดูกคางเบื้องล่างเบื้องบนหอกออกมาถูกเลี้ยงโดยน้าเหลืองน้าเลือดที่ซอกของวันแต่ละซี่จะมีสิ่งสกรปรกปฏิกูลหมักหมมอยู่ ที่รากของเขาที่งอกอยู่ก็เกลือกลัวอยู่กับสิ่งสกปรกปฏิกูลโสโครกอีกเหมือนกันถ้าวางอยู่เฉยๆเหมือนเราตื่นนอนยำเช้าๆมันจะคลายสิ่งสกปรกโสโครกออกมาจากฝันของเราเราจำเป็นที่จะต้องชำระสะสารแค่เราไม่ชำระขัดถีให้มูลควันเหล่านี้ออกไปก็จะส่งกลิ่นเหม็นสกปรกปฏิกูล ฟันเหล่านี้ถ้าหากว่ามันหลุดล่วงลงไปในภาชนะที่เราจะดื่มหรือบริโภคเราเห็นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะดื่มหรือบริโภคได้เพราะอะไรเพราะเรารังเกียจตในความสกปรกแท้จริงเขาเป็นของไม่สวยไม่งามไม่น่ารักใครมันเป็นสิ่งสกปรกอย่างนี้อันนี้คือควันของเรายกจิตกลับมารู้ลมหายใจใหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ ยกจิตกลับมาสู่หนังคําว่าหนังคือสิ่งที่หุ้มอยู่ทั่วตัวของเราเบื้องบนตั้งแต่หนังศีรษะลงมาจนถึงข่าเท้าเบื้องล่างตั้งแต่ข่าเท้าขึ้นมาจนถึงหนังศีรษะของเราหุ้มอยู่ทั่วตัวลักษณะของหนังมีความหนาไม่มากประมาณสองมิลสามมิลครึ่งเซนเป็นอย่างมากหนังชั้นนอกเราเรียกกันว่าหนังกําพร้าบาง ที่มันรลอกกันว่าให้มันสวยให้มันงามนี่ก็หนังกำพร้านี่แหละถ้าลอกชั้นของหนังกำพรานี้เข้าไปแล้วไม่มีความงามแล้วความเป็นจริงโผล่แล้วหุ้มอยู่อะไรหนังก็เป็นเสมือนกับถุงหนังถุงหนึ่งที่ใส่สิ่งสกรปรกโสโครกอยู่ข้างในถุงนี้สิ่งที่หนังนี้หุ้มห่ออยู่มีอะไรบ้างมีเนื้อ เอ็นเส้นกระดูกในกระดูกก็มีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับมีพังผืดมีไตมีปอดมีไส้ใหญ่มีไส้น้อยมีอาหารใหม่มีอาหารเก่าอาหารใหม่คืออาหารที่เราเพิ่งรับประทานเข้าไปยังอยู่ในกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารกาลังบดขยี้ย่อยอยู่ อาหารเก่าก็คืออาหารที่เรารับประทานไปก่อนหน้านี้ที่ถูกขับเคลื่อนออกมาจากกระเพาะอาหารผ่านลำไส้ใหญ่ไปแต่ละช่วงแต่ละช่วงอยู่พร้อมที่จะระ บ, บายออกมานี่พวกอาหารเก่าทั้งหมดเหล่านี้คือสิ่งโสกระกโสโคร ก, กรปฏิคูลทั้งสิ้นหมกห ม, มมอยู่ในร่างกายของเราทึ่งถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยหนังนี้แหละ เพราะนั้นเมื่อสร้างในเป็นสิ่งสกปรกสโสโครกหนังของเรามันจึงคายความสกปรกสโสโครกนั้นออกมาตามผิวหนังของเราตามต่อมเหงื่อของเราเราเรียกกันว่าคิ้ใครเราจะต้องชำระฉาสางขจัดกาจัดไ้ ي, มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะส่งกลิ่นเหม็นสาบเหม็นสางออกมาไอ้นี่หนังของเราและหนังนี้มันจะคงอยู่เฉพาะในช่วงที่ท่าทั้งสี่สมานกัน เมื่อใดที่ธาตุทั้งสีไม่สมานกันธาตุน้ำไปธาตุน้ำพทัธาตุน้ำก็แยกออกไปธาตุดินก็แยกออกไปธาตุไฟก็แยกออกไปธาตุลมก็แยกออกไปแล้วธาตุน้ำแทรกออกมาจากธาตุดินเบียดเสียดขึ้นมาทําให้ธาตุดินนี้มันผุพองบูดเน่าเนื้อที่เราเรียกว่ามีหนังหุ้มไวเตรงนี้ก็จะค่อยๆฉีกตัวเองออกมาน้ําก็จะพุ่งออกมาจากผิวหนังของเรา และมันจะค่อยๆ ย, ย่อยสลายคำว่าหนังก็จะหายไปอันนี้คือหนังของเราแท้จริงเป็นอย่างนี้หายใจออกรู้หายใจเข้า ร, าารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ พิจนราให้ลึกไปกว่าหนังของเราคือดูชิ้นเนื้อเนื้อของเราจะอยู่ทั่วตัวภายในใต้ชั้นหนังบางเนื้อก็ติดอยู่ที่หนังติดอยู่ใต้หนังบางเนื้อก็ผูกติดอยู่กับพังผืดบางเนื้อก็ติดอยู่กับมันเหลวบางเนื้อก็ติดอยู่กับกระดูก บางเนื้อก็เป uh, <B gun, S 2> ็นกล้ามแข็งๆเป็นล่ําบางเนื้อก็เหลวๆอ่อนๆมีเลือดฉาบทาเลี้ยงดูอยู่ภายในเนื้อที่อยู่ส่วนขาเนื้อที่อยู่ส่วนเท้าเนื้อที่อยู่ส่วนขาน้นที่อยู่ส่วนสะโพกเนื้อที่อยู่ส่วนบั้นเอวเนื้อที่อยู่ส่วนท้องเนื้อที่อยู่ส่วนหน้าอกเนื้อที่อยู่ส่วนหลัง เนื้อที่อยู่ส่วนไหล่เนื้อที่อยู่ท่อนแขนซ้ายเนื้อที่อยู่ท่อนแขนขวาเนื้อที่อยู่ใต้ศอกซ้ายเนื้อที่อยู่ใต้ศอกขวาเนื้อที่อยู่ข้อมือซ้ายเนื้อที่อยู่ข้อมือขวาเนื้อที่อยู่ในนิ้วแต่ละนิ้วแต่ละนิ้วจนถึงเนื้อที่อยู่ส่วนบนตั้งแต่ท้ายถอยขึ้นไป เนื้อ <würden> ท <ancia> ี <Ox ide> ่อยู่ด้านหน้าโหนกแก้มด้านซ้ายโหนกแก้มด้านขวาเนื้อที่อยู่หน้าผากเนื้อที่อยู่ที่คิ้วเนื้อที่อยู่ที่ตาซ้ายขวาเนื้อที่อยู่เป็นเนินของจมูกเนื้อที่อยู่ที่ดิมฟีปากด้านบนด้านล่างเนื้อที่อยู่ที่คางเนื้อที่อยู่ที่ใต้ซอกคอซึ่งมีหนังหุ้มห่ออยู่นั้นเป็นลักษณะสีคล้ายๆกันคือสีออกแดงๆเป็นที่ฉบทาของเลือดอยู่ตลอด และเนื้อเหล่านี้จะผูกมัดรัดอยู่กับเส้นเอ็นด้วยมีเส้นเอ็นเป็นเครื่องรัดรึงอยู่ด้วยเนื้อเหล่านี้ก็เป็นแค่ตั้งอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเสื่อมสึกร้อไปตลอดเวลาตั้งอยู่แล้วก็มีความแปรปรวนอยู่ตลอดเมื่อใดที่ทตาทั้งสีนี้แตกสลายไม่สมานกันเขาก็จะย่อยตัวเขาเอง หมดความเป็นเนื้อออกไปแล้วก็ลุกไปอีกดูลุกขึ้นไปอีกเห็นเส้นเอ็นเป็นลักษณะเป็นเส้นเส้นรัดรึงทั่วสรพางกายของเราเส้นเอ็นนี้จะรัดรึงท่อนกระดูกแต่ละท่อนที่มีอยู่ในร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงปลายเท้ากว่าเท้า เป็นตัวที่คอยรัดรึงกระดูกให้เป็นโครงเป็นร่างขึ้นมาที่รกคูได้ยกได้แอนได้ก็เพราะเส้นเอ็นนี่แหละรัดไว้รึงไว้เส้นเอ็นเหล่านี้มีลักษณะสีคล้ายๆกันบางเส้นก็ใหญ่บางเส้นก็เล็กเมือ่อธาตทั้งสี่ยังคงอยู่เส้นเอ็นเหล่านี้ เขาก็อยู่เป็นปกติแต่มีความแปรีนแปลงแปรปรว น, นอยู่ตลอดเวลาเมื่อธาตุทั้งสีไม่สมัณฑกันเอ็นเหล่านี้ก็ยึดโดยนิรันต์ไม่สามารถที่จะยืดออกมาได้อีกแล้วแล้วก็จะแข็งแล้วก็จะหดตัวเองแล้วในที่สุดค่อยๆๆน่าวเปื่อยย่อยสลายออกไปเหมือนกันหลุดออกมาจากเนื้อหลุดออกมาจากกระดูกนี่คือเอ็นของเราที่มีอยู่มันก็จะหายไปในบัดดล ด้วยด้วยอย่างนี้ยกจิตกลับมารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าจากนั้นโยกจิตกลับไปที่กระดูกกระดูกลักษณะเป็นท่อนๆแข็งแข็ง มีอยู่ตั้งแต่กระดูกปลายนิ้วเท้ากระดูกนิ้วเท้าแต่ลนข้างนั้นมีลักษณะเหมือนกันกระดูกอุ้งเท้ากระดูกส้นเท้าข้อเท้ากระดูกแข้งเป็นลำขึ้นมาจนถึงข้อต่อที่หัวเขา่ากระดูกสะบ้ากระดูกท่อนขา เชื่อมต่อกับกระดูกเชิงกรานแต่ละข้างกระดูกบั้นเอวแล้วก็กระดูกสลังตั้งเป็นลำเป็นข้อเป็นข้อขึอข้นมาจนถึงคอข้ อ, ขอต่อข้างบนเป็นช่วงๆกระดูกซี่โครงด้านซ้ายด้านขวามาถึงกระดูกหายปรราด้านซ้ายด้านขวากระดูกแขนต่อกับข้ อ, ขอตกระดูกไหลซ้ายขวา กระดูกข้อต่อข้อศอกซ้ายฝากระดูกท่อนแขนกระดูกข้อมือกระดูกมือกระดูกนิ้วมือแต่ละนิ้วเป็นลักษณะท่อนๆข้อข้อขึ้นมาจากข้อต่อคอข้อต่อขึ้นไปเป็นกระดูกกะโหลกศีรษะของเราแบ่งเป็นส่วนๆๆๆทั้งนอกและในเป็นชิ้นๆลักษณะแข็งๆเหล่านี้ ในกระดูกแต่ละชิ้นจะมีร่องอยู่ข้างในเราเรียกกันว่าเยื่อในกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นลักษณะสีออกน้ำตาลน้ำตาลข้นเข้มข้นข้นเหมือนกระดูกไก่ที่เรากัดกระดูกไก่ให้แตกเราจะเห็นข้างในเป็นเหมือนเลือดแข็งแข็งนั่นแหละเรียกว่าเยื่อในกระดูกในกระดูกของเราทุกชิ้นก็เป็นอย่างนั้นเราเรียกว่าเยื่อในกระดูกหรือว่าไขกระดูกนั่นเองกระดูกนี้ ทำหน้าที่ในการยึดการกลางการขึงร่างทั้งร่างไว้เป็นธาตุดินตราบใดที่ธาตุทั้งสี่ยังก่อตัวกันขึ้นมายังสมานกันอยู่กระดูกนี้ก็ยังคงอยู่แต่เมื่อใดที่ธาตุทั้งสี่ย่อยสลายไม่สามารถสมานกันได้กระดูกก็จะหยุดการทำงาน และก็จะค่อยๆ ย, ย่อยสลายตัวมันเองเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัใจจัยในที่สุดสภาพของความเป็นกระดูกก็หายไปนี่ของเราทั้งผมทั้งขนทั้งเล็บทั้งควันทั้งหนังทั้งกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหา ร, หาหารเก่าทั้งหมดเหล่านี้ ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันโดยสรุปก็คือว่ามันเป็นของที่ไม่งามอย่างนี้จริงๆให้จิตเกิดความประจักษ์กับความรู้ในชั้นของการพิจารนาว่าสิ่งเหล่านี้อันเป็นร่างกายของเรานี้หนอมันไม่งามอย่างนี้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าร่างกายนี้เป็นของที่ไม่งามเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่ตั้งอยู่ได้ไม่นานเป็นของที่ตั้งอยู่ชั่วครู่ชั่วกานนิดหน่อยเป็นของมีน้อยเป็นของที่เปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในอำนาจของผู้ใดไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แท้จริงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเขากล่าวว่าโอ้กายไม่นานหนอบังเกิดก่อแล้วกลับกลายดุดควงแห่งน้ำหมายที่เกิดดับโดยฉับพลันสิ้นลมแหงหายใจชีบบันไลไม่กลับหันบ่มีสิ่งสำคัญเพื่อประโยชน์สักนิดเดียว ทอดทิ้งดุดท่อนฟืนกลิ้งเหนือพื้นสุธาเทียวผองช้ำเน่าดำเขียวส่งกลิ่นฟุ้งมิเว้นวางอันนี้ก็ร่างกายของเราทั้งนั้นไม่ใช่ร่างอันอื่นร่างของเรานี่แหละมันมีสัจจะมีความจริงมีความเป็นไปตามอาการดังว่ามา น, นี้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ยกจิตออกมาจากกายนอกเข้าไปสู่ลมหายใจอย่างชัดแจ้งชัดเจนทุ่มเทจิตรู้ทั้งหมดลงไปสู่ลมหายใจของเรา เมื่อจิตไปพิจารณากายอยู่กับลมหายใจมันเหมือนกับการทำงานหนักของจิตพอจิตมาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวจิตจะรู้สึกสบายเหมือนได้พักอาการนิวรนก็จะเข้ามาอย่าปล่อยให้ความเคลื่อครอบคำจิตเมื่อจิตเกิดความเคลื่อนขึ้นมาให้ยืดตัวให้ตรงแล้วก็รู้ลมหายใจให้ปราลบและก็ตั้งความเพียรไว ต่อไปนี้พวกเราเอาจิตรู้ออกมาจากลมหายใจไปกําหนดที่มือข้างขวายกมือขวาขึ้นมาตั้งไว้ที่หน้าอกแล้วยกมือซ้ายขึ้นมาตั้งไว้และประกบมือในลักษณะของการประดมมือและจิตรู้ของเรายังรู้อยู่ตรงลมหายใจ เราจะนอบน้อมเพื่อที่จะแผ่บุญของเราตั้งแต่เราจะเรินบุญกุศลทั้งหมดในขณะที่เราประดมมืออยู่นี้ให้ราลึกถึงบุญที่เกิดขึ้นในวันนี้บุญแรกก็คือการบูชาพระรัตนตรัยที่เราได้กราบ โดยการกล่าวว่าอารหังชัมมาชัมพุทธโตภะกวาพุธังภะกวันตังอภิวาเทมิเป็นต้นถึงพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ด้วยความสำนึกและรู้สึกได้ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาสองพันห้าร้อยกว่าปียังมีโอกาสเปิดให้เราได้สามารถมาปฏิบัติธรรมตามคำสอนนำพาจิตเข้าสู่วิถีแห่งความสุขอย่างแท้จริงได้ด้วยพระคุณและพระเบตาของพระองค์เราได้กราบไหว้อย่าง ชุดวัตใจของเราอบอุ่นด้วยใจที่มีพระองค์เป็นที่พึ่งตลอดถึงพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งหลายรวมเป็นพระรัตนตรัยตั้งอยู่ที่ใจของเราใจของเราเกิดความแช่มชื่นเกิดความเคารพเกิดความสงศด้วยการยกย่องบูชาพระรัตนตรัยบุญเหล่านี้เป็นบุญกุศลประการหนึ่งที่ตั้งขึ้นอยู่ที่ใจของเรา บุญประการต่อมาคือบุญที่เกิดจากการสมาทานศีลด้วยการให้สัจจปฏิญญาต่อพารัตนไตรว่าเรานั้นจะเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตและวันนี้ทั้งวันเราก็ไม่มีการเบียดเบียนชีวิตใครเลยเราจะเว้นจากการเบียดเบียนทรัพย์สินวันนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เราไม่มีการเบียดเบียนทรัพย์สินของใครเลย เราจะหดเว้นจากการเบียดเบียนคนรักของรักของผู้อื่นตั้งแต่เช้าจนถึงวันนี้เวลานี้เราไม่มีการเบียดเบียนคนรักคนรักของใครเลยเราจะตั้งมั่นอยู่ในความสัตว์เว้นจากการพูดโกหกทุกกรณีตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้เราไม่มีการพูดโกหกตอบพู้ใดใครเลย ตั้งแต่เช้าที่เราทำสัจจะปฏิญญาว่าเราจะหดเว้นจากการเสพหรือการดื่มสุรายาเมาอันเป็นเหตุทำให้สติสัพจัญญาของเราเสื่อมเสียได้ทุกรอ้อจจนตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้เราไม่มีการดื่มการเสพสุรายาเมาใดๆเลยความบริสุทธิ์แห่งการแห่งสัจจะที่ให้ปฏิญญาไว้ด้วยการรักษาข้อปฏิบัติในศีลทั้งห้าประการ มีความบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้สำเร็จเป็นสีละไมตั้งอยู่เป็นบุญกุศลอีกกองหนึ่งที่ใจของเราจากนั้นเราได้ทำการฟังธรรมพิจารณาทำด้วยความตั้งใจด้วยความเคารพนบนอกนั่งตั้งใจฟังธรรมอย่างสงบจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในการที่จะน้อมนาเข้าไปเพื่อการปฏิบัติ การความทำอย่างนี้สำเร็จเป็นบุญกุศลอีกประการหนึ่งตั้งอยู่ที่ใจของเราเราได้ฝึกฝนอบรมจิตภาวนาด้วยการนั่งสมาธิเจริญสติด้วยอาณาปานสติทุกขณะที่มีสติอยู่กับลมหายใจของเราระลึกรู้อยู่อย่างนั้นเป็นภาวนาไมกุศลเป็นบุญอิกกองหนึ่งตั้งอยู่ที่ใจของเรา และเราก็ได้เดินเจริญสติเรียกว่าเดินจงกรมให้จิตคอยดูรู้อยู่การเคลื่อนไหวของเท้าต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาทุกๆครั้งที่จิตรู้การเคลื่อนไหวของเท้าไม่ว่ายกย่างหรือวางจิตที่รู้อยู่ในขณะนั้นสําเร็จเป็นภาวนาใบกุศลอีกเหมือนกันเป็นบุญกองหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่จิตของเราบุญที่เกิดจากการพิจารณากายที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากายยักตาสติคือการพิจารณา ทั่วไปในกายอันเป็นทุวนสำคัญเพื่อให้เห็นถึงความเป็นจริงในความไม่งามอันเป็นปกติของกายนี้ที่พระพุทธเจ้าพร่มสอนนักสอนหน่าว่าผู้ใดที่ให้จิตตั้งอยู่ที่กายยคตาสติหรือกายยสติแล้วผู้นั้นจะไม่ห่างออกไปจากกระแสพระนิพพานเป็นแน่วันนี้เราได้มีโอกาสทำตรงนั้น ก็สำเร็จเป็นบุญอีกองหนึ่งตั้งอยู่ที่ใจของเราบุญทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้รวมกันเป็นกองบุญอันยิ่งใหญ่อยู่ที่ใจของเรานำะบัตนี้ด้วยบุญบา ร, รมีที่เราสะสมตั้งอยู่แล้วนี้รวมเป็นมหาอนุภาพอันยิ่งใหญ่แห่งบุญในใจของเราเป็นเหมือนขุมแห่ง พ, ล, งงพลังแห่งความสุขเป็นพลังแห่งความสําเร็จ ที่มีอย่างล้นพ้นอยู่ที่ใจของเราเราขออุทิศและแผ่บุญเหล่านี้ออกไปจากใจของเราค่อยๆแผ่ออกไปเป็นดุดพลังอาณอันยิ่งใหญ่ที่ค่อยๆแผ่ออกไปไม่เล็ดลอดส่วนใดไม่ว่าสูงหรือต่ำไม่ว่าเป็นว้าวเป็นหลุมเป็นบ่อ พลังเหล่านี้จะค่อยๆแพร่ออกไปเป็นพลังแห่งความปรารถนาดีเป็นพลังแห่งความปรารถนาถึงสัตว์พัวรูปทุกเกิดแก่เจ็บตายทุกๆกกําเดิดที่มีอยู่ทุกๆทุกๆทุกๆชาติแห่งสัตว์เหล่านั้นที่มีอยู่ในขณะนี้ให้ได้รับบุญกุศลเหล่านี้เป็นพลังแห่งความปรารถนาดีที่ออกไปจากใจของเราสัตว์ใดที่มีทุกข์ก็หายพ้นจากทุกสัตว์ใดที่มีสุขอยู่แล้ว ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัตว์เราใดที่มีความเจ็บป่วยเดือดร้อนลำบากยากเข็นขอให้บุญเหล่านี้จงกำทราบจิตใจของสัตว์เหล่านั้นให้มีความสุขเยือกเย็นค่อยๆแผ่ออกไปผู้ใดที่เป็นมีนิกรรมนิเวนต่อเราเราอาโหสิให้ผู้นั้นทั้งหมดเราปลดเรื่องนี่กรรมนิเวนในใจของเราออกจากสัตว์ทุกผู้ทุกรูปทุกนาม ด้วยอำนาจแห่งพลังแห่งบุญที่กําลังแผ่ออกไปและสัตว์เราใดที่มีกรรมมีเวรต่อเราขอให้รับเอาบุญกุศลเหล่านี้และให้กรรมทั้งหลายจงเป็นอโหสีกรรมต่อกันเวรทั้งหลายจงเป็นอโหสีเวรต่อกันกําลังแห่งบุญนี้แผ่ออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณสัตว์ที่เกิดอยู่ในคันก็ดี มีทั้งมนุษย์เล็บสัตว์เดรัจฉานบางพวกสัตว์ที่เกิดในไข่สัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานบางจําพวกสัตว์ที่เกิดในเท่าใครสัตว์นอนพวกนอนเล็กๆชีวิตเล็กๆที่อยู่ตามที่ต่างๆก็ดีสัตว์ที่เกิดในโอปาติกะก็ตามเกิดดผขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรรกตาามดีชุอสุรกายก็ตามสัตว์เปรตวิสัยก็ตามในสุขติทั้ง6ตั้งแต่จาตุ่ม อว่ดึงยามาดูสิตนิมมารดีปารณิมมิตธธุฟดีสัตติเกิดในชั้นของพรมทุกชั้นตลอดจนถึงพรมชั้นสุทาวาดทั้งหลายทั้งห้าตั้งแต่ชั้นอวิหาอัตปาสุาทัสสาตุสศสีกด็ดีขอให้ได้รับผลบุญที่เรากำลังแผ่ไปเหล่านี้และอนุโบทาาขอบุญเหล่านี้จงสำเร็จกับผู้มีพระคุณทั้งหลายของเรา เราผู้ก่อตัวขึ้นมาเป็นขันทั้งห้าที่กํลาลังตั้งอยู่บนกองแห่งอาธนะนี้เป็นขันที่มีเหตุมีปัจจัยข้างไข่ธาตุน้าาําธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเรียกว่าธาตุทั้งสนั้นเกิดมาจากบิดาและมารดาผู้ให้กําเดิดผู้เลี้ยงดูผู้อุ้มจูผู้ชุบสอนผู้พร่ำสอนผู้ให้ความรักผู้ทนุถนอมชีวิตของเราจนถึงวันนี้ ขอให้ท่านเหล่านั้นจงได้รับบุญกุศลเหล่านี้หากท่านยังมีชีวิตอยู่ขอให้ท่านได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยได้มีโอกาศสศรัทธาในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและให้ท่านได้มีใจโอนอ่อนน้อมเข้าไปเพื่อการปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานหากชาตินี้ยังไม่ได้ก็ขอให้เป็นอุปนิสัยปัใจจัยให้ท่านได้พบกับในชาติต่อๆไป หากท่านไม่มีชีวิตอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ในภพหนึ่งภพใดขอให้บุญเหล่านี้จงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ท่านได้ประสบในสิ่งที่ประเสริฐหากมีทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์หากทุกข์อยู่แล้วหากสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปในภพของท่านของท่านเราได้ร่ําเรียนหนังสือมีวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์ท่านใดด้วยพระคุณที่ครูบาอาจารย์ท่านนั้นมี ความกรุณาเมตตาสั่งสอนอบรมให้เราได้มีวิชาความรู้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ท่านได้รับอาบุญกุศล น, นี้ขอบุญกุศล น, นี้จงเป็นพลังแห่งความสุขหากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านมีความปรารถนาอันใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนาอันนั้นของท่านให้สาเร็จสําเร็ จ, รจตามความปรารถนาทุกประการ ในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้มีคู่กรรมคู่เวรที่ทํากันมาชอบกันบ้างไม่ชอบกันบ้างกรรมเวรอันใดที่ก่อกันขึ้นมาในภพชาติปัจจุบันเราอาโหสิทั้งที่เป็นกรรมอโหสิทั้งที่เป็นเวรจาระชะลางออกด้วยพลังของบุญที่เกิดขึ้นจากอํานาจของเบตตาในเวลานี้และขอคู่กรรมคู่เวรเหล่านั้นที่ยังมีชีวิตยอยู่จงประสบความสําเร็จ และลุล่วงในสิ่งที่ตนปรารถนาและมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองสัมผัสกับพรชัยทั้งสี่ประการคือมีอายุมีวันหน้ผิวพรุ์ป่องใสมีความสุขมีกำลังมีความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาและย ก, กจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจพร้อมกับยกมือขึ้นมาจดที่หน้าผาก แล้วก็เอามือลงประหกหน้านิดหนึ่งแล้วก็ลืมตา อ, ออกจากสมาธิ